นี่ครูบาอาจารย์สิ้นภิกสงนะหลวงปูแบลงู่เบนพ่อเคยไปกราบท่านสองสามครั้งนี่ท่านภาวนาดีลูกศิษย์หลวงปู่คงมาหลวงปู่คงมาลูกศิษย์ศิษย์หลวงปูงมงป่มัน แจนมีรี่ยังก็รู้สึกแจนคงมาแจะมีียังการปฏิบัติไม่ได้ยากอะไรอยู่ที่ตัวเราเองหาเรื่องแก้ตัวแทนกิเลสมันก็ทำไม่ได้สักทีครนรก็รักษากิเลสอย่างเดียวแน่นเสียดาย ติดอกติดใจกับโลกโลกไม่เห็นมีอะไรมีแต่ทุกข์หน้าติดอกติดใจตรงไหนเลยหากดูสภาวะอย่างที่หลวงพ่อสอนเมื่อเช้านะทุกวันต้องทำในรูปแบบแบ่งเวลาไว้เลย วันละหลายๆรอบก็ได้รอบหนึ่งห้านาทีก็ได้ทำให้ได้ชั่วโมงละรอบคือดีดอย่า ง, างมีเวลาเดินไปเข้าห้องน้ำไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็รู้สึกไปภาวนาตัอกตั้งใจทุกก้าวที่เดินทำด้วยความรู้สึกตัวจะทำอะไรก็คอยรู้สึกตัว รู้สึกตัวบ่อยๆมันจะเห็นสภาวะไม่ได้มีอะไรยากเย็นเลยหลวงพ่อดูพวกเราบางทีทำไมำมันทำไม่ได้สักทีบางคนอยากหาไม่เลียวมาตีมันสักทีที่มันขี้เกียจบางคนก็ดินหรนค้นคว้ามากไปของง่ายทำให้กายเป็นของยาก อยางใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขมันยากไหมไม่เี็นมีอะไรรนะ่างกายหาใจออกร่างกายหายใจเข้าจะรู้ว่ายากไหมไม่เห็นจะยากตรงไหนนะพอคิดถึงการปฏิบัติทีไรก็ทําอะไรที่ง่ายๆให้วุ่นวายซับซ้อนไปหมดนะบังคับกายบังคับใจนทําอย่างนี้น่าจะดีทําอย่างนี้น่าจะดีจะเอาดี ไม่ใช่เอาค ว, า ม, า, า, วามจริงของกายของใจอยากรู้ความจริงของกายของใจก็ค่อยดูไปร่างกายเป็นไงก็ดูไปจิตใจเป็นไงก็ค่อยดูไปนะเห็นจะยากตรงไหนเลยที่ผิดกอมีสองอันเองขาดสติเผลอล่องลอยไปกับบังคับกายบังคับใจนะที่ผิดมีสองอัน เมื่อไรไม่ผิดเมื่อนั้นถูกใจลอยรู้จักไหมใจลอยเม่อเม ER, ่อใจลอยนั่นแ่ะผิดเบอร์หนึ่งเพ่งเอาไว้บังคับกายบังคับใจเครียดเคลียดนี่ผิดเบอร์สองคนในโลกที่ไม่ได้ปฏิบัติเนะยมันจะมีแต่เบอร์หนึ่งนะหลงตลอดนักปฏิบัตินะั้นถ้าไม่หลงก็เพ่ง ตอนนี้เพ่งเรียนตัวนี้ให้แม่นๆเลยเผลอไปก็รู้เพ่งอยู่ก็รู้อ่านดูตัวนี้แหละจิตมันจะเข้าทางสายกลางของมันเองเมื่อไรไม่เผลอเมื่อไรไม่เพ่งเมืไไม่อนั้นจิตจะเดินอยู่ในทางสายกลางเผลอส่วนใหญ่ก็เผลอไปคิดเพ่งก็คือไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานที่เราทำนั่นแหละ หายใจก็ เ, เพ่งลมหายใจนะมีสติอยู่กับท้องพองท้องยุกก็ก่ายเป็นเพ่งท้องพองท้องยุกกลายเป็นถลำลงไปเพง่งนะง่ายๆแค่นี้แหลนะเะฉะไม่ต้องส่งกันบ้านก็ได้ที่ส่งกันบ้านมันผิดอยู่สองข้อนี้แหละเดี๋ยวนี้หลวงพ่อตรวจกันบ้านน้อยลง ถ้าพวกเราสงสัยก็ไปเปิดย t ท b e ที่หลวงพ่อเทศไว้ที่เขาถามกันนะมันก็คือคำถามเดิมนั่นแห ล, ละเวลาผิดก็ผิดซ้ำซากเหมือนๆกันไม่เผลอก็เพ่งก็มีแค่นี้แหละ <S <S <S อีกอีกอย่างหนึ่งที่ผิดก็คือเรื่องนิมิตพวกเราไม่ค่อยมีเวราไม่ค่อยมีสมาธิอีกอย่างหนึ่งที่ผิดก็คือเรื่องวิปัสสนุปกิเลสอันนี้พวกเรามี เราทำมีปัสนาก็สมาธิไม่พอเกิดมีปัสนุ่ผิดอยู่สองสาตัวเท่า น, นั้นจุดแรกก็คือเผลอกระเพ่งไม่เผลอไม่เพ่งก็มีจิตตั้งมั่ น, นเสร็จแล้วพอลงมือปฏิบัตนะิถ้าจิตไปเพ่งอารมณ์แล้วก็เกิดนิมิตก็จะลงนิมิต ถ้าทำวิปัสสนาแล้วสมาธิไม่พอจะเกิดวิปัสสนูปกิเลสเช่นใจไหลออกไปข้างหน้าแล้วไปสว่างว่างอยู่สว่างเรียกวโอภาษพวกนั่งดูจิตนะ่ะจะเจอวิปัสสนูชนิดโอภาพท์เป็นส่วนใหญ่ใครเคเป็นไหมรูม้สึกใจมันเคลื่อนไปอยู่ข้างหน้านะมันไปนิ่งๆอยู่ข้างหน้าสว่างสบาย นี่ใจ่อยรู้ไหมเออเนี่ยตรวจกันบ้านให้สองคนแล้วนะพวกอยู่วานอ่ะหมดสิทธิ์ถามดูเราไม่เห็นมันจะยากอะไรเลยเนาะง่ายๆคิดมากยากนาน รู้สึกเอาสิใจเราสุขหรือใจเราทุกข์หรือใจไม่ทุกข์ไม่สุขยากไหมไม่เห็นยากเลยต้องวางฟอร์มไหมจะดูแล้วใจสุขหรือทุกข์นะว่ดูรู้เรื่องได้ไงเพียนไปหมดแล้วนะขณะเนี้ยสุขหรือทุกข์รู้ไหมรู้เฉยๆนี่แหละไม่ต้องวางฟอร์ม ขณะ น, นี้หายใจออกหายใจเข้ารู้สึกไหมอย่างถ้าหลวงพ่อบอกว่ามีสติทุกลมหายใจเข้าออกมีอานาปนาสติขยับก่อ <c> น <oughs> นี่บังคับร่างกายแล้วก็เริ่มบังคับใจบางพวกก็าบังคับแบบเคร่งเครียดนะบางพวกก็แกล่งเซอร์ทำเสื่องซึมนะ ใช้ใจของเราตอนนี้แหละขณะ น, นี้หายใจอยู่ก็รู้ขณะนี้ยืนเดินนั่งนอนอยู่ก็รู้ขณะนี้สุขขณะนี้ทุกก็รู้ไปรู้ด้วยใจธรรมดาที่สุดธรรมดาที่สุดดีที่สุดนะเพราะใจที่ธรรมดาเนี่ยนะมันประพัสสอนมีสมาธิอยู่ในตัวเองสว่างสบายขห้นมา ใจปกติพระพัฒสอนอยู่แล้วอันนี้กิเลสแทรกเข้ามาเช่นอยากปฏิบัติใจที่พระพัฒสอนเลยเศ้ามองไปเครียดอยากปฏิบัติแล้วมองนี่นะหมาหางจุกก้นเลยมอง <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เรื่องของง่ายทำให้ยาง ไอทิศอะหลงแล้วรู้ไหม ย, ยังไม่เลิกเพลงอะรู้ไหมแล้วทำไมไม่เลิกนี่มันทิศนะเนี่ยดูสิไม่ยอมหลุดออกมาดูเอาเปล่าเออใช้ได้ไม่กว้างหรอกเสียได้ของ <c oughs> การปฏิบัติไม่ได้ยากอะไรเราไม่รู้หลักมันก็ยากตอนนี้จิตมันเป็นตัวของตัวเองแล้วมันภาวนานได้แล้วถ้าถูกสะกดอยู่ถูกครอบอยู่ภาวนานไม่ได้จริงแล้วแต่เขาชับใยเขาทำจิตเขาสว่างเราก็สว่างด้วยเพราะเขาจิตมืดเราก็มืดด้วยสะกดกันไปงั้น้เป็นตัวของตัวเองไปจิตเราก็จะเปลี่ยนแปลงให้ดู เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนั่นแหละธรรมะหลงไปคิดแล้วรู้ไหมหออลงไปคิดแล้วก็รู้บ่อยๆพอหลวงพ่อบอกว่าหลงไปคิดก็เริ่มเพ่งแล้วรู้สึกไหมจะแน่แนๆขนึ้นมาวิธีดูตัวเองนะว่าเพ่งหรือไม่เพ่งอ่ะวัดความรู้สึกเลยถ้ามันแน่แนๆขนึ้นมานะ่เพ่งแน่นอน หลงแล้วรู้ไหมเนี่ยฝึกอย่างนี้นะหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไปนี่พวกอยู่วัดเลยสองค น, นตื่นเต้นหวาดระแวงรู้สึกไหมหวาดระแวงเนี่ยรู้ทันตัวเองนะใจมันหวาดระแวง้นมารู้ทัน อ, อ่านความรู้สึกของตัวเองไปนะแค่นี้แหละอ่านความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆจำนี้จำนานนะสติก็จะไหวขึ้นเรื่อยๆสติมันเกิดจากการที่เรารู้ทันความรู้สึกของตัวเองได้นะ ใ, ใจเราขยุกขยิกเนี่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรเรียกชื่อไม่เป็นมันขยุกขยิกเห็นว่าใจมันขยุกขยิก นีใ่ใช้ได้มีสติรู้ทันใจที่กำลังขยุกขยิบนะไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่จำเป็นต้องรู้นะแค่รู้ว่ามีสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแค่นั้นพอแล้วมันจะคืออะไรก็ช่างมันเนี่ยมเมื่อกี้จิตมันถลำออกไปรู้สึกไหมโอ้ดีนะนะตอนนี้เพ่งแล้วรู้สึกไหมหืม เออทีตรตที่เรารู้ว่าเคลื่อนไปเคลื่อนมานั่นคือการเจริญปัญญาไม่ต้องออกมนนี้หลวงพ่อตรวยกันบ้านแบบไม่ให้พูดนยใจเคลื่อนไปแล้วใช่ไหไหลไปคิดไหลไปดูไหลไปฟังก็รู้เอา ใครดูสภาวะจิตใจของตอนเองยังไม่ออกยกมือซิอย่างขณะนี้สุขหรือทุกข์ไม่รู้มีไหมขณะนี้โลภโกรธหลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่รู้มีไหมจิตโลภรู้จักไหมโกรธเป็นไหมหลงเป็นไหมถ้าดูเป็นแล้วก็ไม่ต้องคุยอะไรกันละนักปฏิบัติไม่พูดมาก รู้ทันตัวเองให้มากพูดน้อยๆยพูดมากฟุง้งซ่านหลงนั่นเนี่ยขยับขยับแต่หลงไปบางทีเรารู้ลมหายใจนะแล้วสติมันเคลื่อนไปจิตเราเคลื่อนไปจ่ออยู่ที่ลมนะอันนี้หลงแล้ว ท, ท, ทั้งๆที่ยังดูลมหายใจไม่คลาดสายตาเลยนะหรือขยับอย่างเี้ยขยับอยู่นะจิตมันไหลไปอยู่ที่มือแลนะ้วเนี้ยเรารู้ทันว่าจิตไหลไปอยู่ที่มือแค่นั้นก็ถูกแลนะ้วะมันจะหยุดไหลเลยแล้วสั่งขึ้นมานะใครคิดว่าจําเป็นจะต้องถามยกมืออ่วาวมา ส่งใหม่ไปนี่นี่นี่นี่น<_ <EN> _>เคยฝึกพวกกำหนดกำหนดอะไรป่ะปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสอนนะคะอยากให้หลวงพ่อเช็คสภาวะไยยังบังคับอยู่ยังบังคับจิตใจตัวเองอยู่ทำอะไรล่ะตรงเนี้ยก็ใช้ ออรู้ทั่วตัวเนี่ยเป็นรู้ไหมเมื่อกี้นี่โมหะแทรกเข้ามาใจมันสืมต้องทำใหม่ทำอย่างที่เคยทำดูออกไห้ใจมันหลงเป็นระยะระยะมันเคลื่อนไปเคลื่อนมามองออกไหมตรงนี้ดูไม่ออกดูกายไป เห็นไหมร่างกายนั่งอยู่ไม่ร่างกายพยักหน้ารู้สึกกายไปนะดูกายได้ชัดกว่าดูจิตจะดูกายก็ถึงที่สุดได้นะดูจิตก็ถึงที่สุดได้ได้ทั้งนั้นเลยสติปัฏฐานสี่นะอันไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่ตอนนี้มันเขี่ยมเกลี่ยกับจิตใจตัวเองไปรู้สึกไหมมันจะเอาจริง ดูออกอย่อมเอออย่าไปทํานะลำบากเปล่าๆไม่มีประโยชน์นี่คือความปรุงแต่งเป็นความปรุงแต่งฝ่ายดีอยากปฏิบัติแล้วก็พยายามทําอะไรดนะึ้นมาปรุงแต่งฝ่ายดีตัวพ่อตัวแม่ของมันก็คือตัวอวิชชาเช่นเดียวกับความปรุงแต่งฝ่ายชั่วเนี่ยทําจิตให้นิ่งๆอีกแล้วรู้สึกไหมทําจิตให้จะได้รู้สึกตัวได้ตลอด รู้สึกไหมใจมันแน่นแน่นถ้าใจแน่นแน่นแสดงว่ามีการบังคับอยู่มีการแทรกแสงอยู่ให้รู้ทันแล้วก็ไม่ต้องหาทางแก้ทำไงจะแก้เลิกเพ่งให้รู้ว่าอยากเลิกรู้ทันใจเข้าไปไม่มีอะไรหรอกรู้ทันสภาวะเข้าไปสดสด ร, ร้อนร้อนรู้ไป ลงไปแล้วรู้ไหมไม่ต้องยกป้ายตรวจกันบ้านให้เลยเสียเวลาใจมันหนีไปอ๋อไม่ได้ยินน่ะใครอยู่ข้างๆช่วยกระซิบหน่อยคนพอหูตึงนะพูดดังๆบางทีไม่ได้ยินนะต้องกระซิบเพราะน้นคนแก่บางคนนะหูตึงนะลูกหลานนินทาเ น, นี่ยได้ยินหมดเลยพูดเบาๆกาได้ยิน คุต่างๆไม่ได้ยินหลวา่าพอจะแยกกายกับจิตออกได้บ้างหรือยังคนะได้ได้แต่ว่าเราถนัดดูกายเราไม่ถนัดดูจิตเราดูกายไปแล้วเดินวิปัสนาพอได้บ้างหรือยังอะไรนะเดินวิปัสนาอย่าใจร้นสิยังไม่ได้ใช่ไหมคน่า <laughs> <laughs> มันยังช่างคิดไว้วิปัสนาต้องเลยคิดไป หลวพรอพุธเคยสอนนะว่าสมถะเริ่มมาหมดความจงใจวิปัสนาเริ่มมาหมดความคิดถ้าคิดเมื่อไหร่ตกจากวิปัสนาเลย mm. มันไปวิเคราะห์เอาใช้เหตุใช่ผลเอาใช้ตาักกะตักกะเชื่อไม่ได้ในกาลมาสูนท่า น, นก็สอนไม่เชื่อตักกะดูของจริง ช่วยกระสิบนิดหนึ่งว่าตอนนี้นจิตก็ตั้งมั่นมากกาแต่กี่แล้วบอกทีไม่ใส่เครื่องช่วยฟังอ่ะอ้าใครจะส่งกันบ้านเอาที่จำเป็นจริงนะ หลวงพ่อสอนหลักให้ทั้งเยอะทั้งแยนะ่แล้วถ้าไม่รู้จักดูเองอยากจะตียว10ิบสบเดือนที่แล้วส่งกันบ้านหลวงพ่อครับหลวงพ่อบอกว่ายังฟุ้งเยอะอยู่ครับให้ไปดูในชีวิตประจําวันครับก็ไปดูในชีวิตประจําวันเพิ่มขึ้นที่เห็นการเปลี่ยนแปลงคือตั้งแต่ ก่อนผมมาเจอหลวงพ่อเนี่ยผมรู้สึกว่าผมยึดมั่นในบุป ก, การีว่าถ้าเกิดว่าสูญเสียบุพการีหรือว่าทางบุพการีนีจะจิตใจวันไหวมากครับแล้วก็พอมาได้ได้มาเจอหลวงพ่อก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าห่างจากหลวงพ่อถ้าเกิดว่าจะวันไหวถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้เจอกับหลวงพ่อครับ แต่พอภาวนาภาวนาไปรู้สึกว่าที่เหนือกว่าความผูกพันกับก็คือเหมือนรักักตัวเองมากครับรู้สึกเห็นเห็นความรักตัวเองอย่างย่งมากนะครับใช่ที่เรารักบุปการีนะก็เพราะรักตัวเองนะครับตัวเองครับแล้วก็ที่รักหลวงพ่อก็เพราะว่าหนักตัวเองเพราะเป็นหลวงพ่อของเราครับเออนั่นแหละปีที่ครับครับแล้วคือแล้วบางคนนะมันขอให้หลวงพ่ออายุยืนก็ขอด้วยความรักตัวเองอย่าง คือรู้สึกว่าเพราะวา่าไปดูโทสาที่แท้ครับผมครับรู้สึกคืออยากจะให้หลวงพ่อเทศให้เรื่องเรื่องศรัทธาครับผมรู้สึกในพระลห้าผมผมตอนนี้ผมก็ทำภาวนารูปแบบวันละชั่วโมงแต่รู้จะเห็นตัวที่คือผมผมยึดมั่นพระตรัสรัตน์ใแบบมากๆไม่เท่าตัวเองครับผมต้องการให้หลวงพ่ออธิบายเรื่องศรัทธาให้ผม ภาวนาไปแล้วศรัทธามัจะเกิดนะยิ่งฝึกไปนะของไม่เคยรู้ได้รู้ของไม่เคยเห็นได้เห็นของไม่เคยเข้าใจได้เข้าใจของไม่เคยปล่อยวางได้ปล่อยวางนะเราเห็นผลของการภาวนาเห็นความพัฒนาการของตัวเองศรัทธามันจะแน่นแฟนขึ้นศรัทธาของคนไม่ได้ภาวนาเป็นศรัทธาที่กลับกลอกศรัทนธะาเพราะมีผลประโยชน์แอบแฝง แต่ศรัทธาของผู้ปฏิบัติเนี่ยเห็นคุณค่าของธรรมะแนละ้ทำเราพ้นทุกข์ได้จริงๆเป็นลำดับลาดับไปศนระัทธามันแน่นแฟนนะเะนั้นอยู่ๆเรียกให้ศรัทธาก็ต้องเล่านิทานอะไรยิ่งโง่หนักกว่าเก่าอีกนะนั้นหัดปฏิบัติไปแล้วศรัทธาตัวจริงมันจะเกิดการบ้านต่อไปให้ผมไปดูเรื่องโทรศั์ ัูออกมามันแทบอยู่ด้วยนะเวลากระทบอารมณ์มันเนี้ยคือผมเห็มันบิ้งแฉลบไปแล้วเอ๊ะนันหละไม่พอใจมันนั่นไปแล้วไปงี้เออเนี่ยไปหาดูฟุ้งแรงใช่ไหมครับมันเลยเออนั่นแหละฟุ้งไม่เป็นไรครับพอรู้ว่าฟุ้งแล้โมโหนั่นแหละถึงจะเป็นไม่เป็นกลาง อยู่ข้างหลังนั่นแหละส่งไปครับนกมารการครับหลวงพอ่ อ, อของการด้านในรอบปีเศษนะครับเนื้อปีเศษที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ดูจิตพูดหรือที่เกิดดับแต่ตอนนี้ก็ก็ยังไม่เห็นแต่เห็นสภาวะที่มันเกิดดับไปเรื่อยๆ น, น, นั่นแหละเมื่อเช้าที่หลวงพ่อเทศน์คือเรื่องนี้แหละนะหเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นดีเห็นชั่วมันเกิดดับไปแต่ยังไม่ได้ สติสมาธิแข็งแรงถ้าแข็งแรงพอมันเห็นตัวผู้รู้ก็เคยดับเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวคิดเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวเป็นตัวดูอย่างงี้ยแล้วก็เมื่อปลายปีที่แล้วมีอุปัติเหตุรถยนแต่ก็เห็นประโยชน์ของการภาวนาครับเอาตัวรอดได้รอดดีท่าไหนฮะเยังระเบิดครับแล้วก็เห็นการกระทําของสมองแล้วก็การกระทําของร่างกายเป็นช็อตช็อตชอตเอิ่มซร้างเป็นอย่างนั้นเลย มันเป็นเองนะมันจะเห็นม็นช็อตๆเลยแล้วคว่ำไหมเออไม่คว่ำครับนี่แสติเราดีนะนนสติไม่ดีทำอะไรเพี้ยนๆนะั้นยิ่งอันตรายหนักกว่าเก่าอีกนะอไปฝึกแล้วเราจะเห็นคุณค่าอของการจเจริญสติใช้กับโลกก็ได้เยอะแยะเลย ตั้งตั้งแต่ผมปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมปฏิบัติสมควรแก่ธรรมหรือยังแล้วก็จะต้องมีอะไรที่หลวงพ่อจะแนะนำให้ปรับปูแก้ไขอย่างไรบ้างครับปฏิบัติดีขึ้นเยอะแล้วนะแต่มันยังโลภอยู่ ก็รูทันไปมันอยากได้ผลนักอยากได้ผลเร็วๆมันยังอยากหวังผลอยู่มันยังหวังผลอยู่ดูออกไหมเนี่ยสังเกตตัวเนี้ตัวนี้ทําให้ใจเราไม่เป็นกลางมันมีลุ้ น, นก็ะตาโตก็บอกให้หวังผลน่ะมันอยู่ลึกๆรู้มันมีอยู่เดิมแล้วเนี่ยครับมันมีมาตลอดนะ แล้วตอนนี้เราเจริญสติเจริญปัญญานะมันก็ยังแฝงอยู่มันทำโดยการลุ้นเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้อย่างเงี้ยให้รู้ทันไปใจมันยังไม่ได้รู้ด้วยความเป็นกลางอย่างแท้จริงยังมีโลภแทรกอยู่ครับขอบขอบคุณครับเอาเชิญจับบ้าน ที่หมอตรวจแล้วทีนี้ดีรีบโฆษณาไว้ก่อนอาจารย์เจ้าเก่งนะบอกวิธีที่หลวงพ่อช่วยตัวเองได้เยอะเลยเมื่อก่อนเป็นหวัดทิีงเป็นน้านานทีนี้เป็นแล้วสั้นนิดเดียวเลยเราล้างจมูกอบจมูกไปเรื่อย